เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่ส4สกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,552 ้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างบุญบารมี ซึ่งเปรียบเหมือนน้ำมันของรถยนต์ของชีวิตเราชีวิตเราก็มีรถยนต์เหมือนกันรถยนต์ของชีวิตเราก็คือจิตใจของเราที่ไม่แก่ที่ไม่เจ็บที่ไม่ตายตามร่างกายไปร่างกายเมื่อตายไปแล้วจิตใจก็ต้องเดินทางต่อไป ขณะที่มีร่างกายอยู่ก็เป็นเหมือนเวลาที่เรานำรถยนต์เข้าไปหยุดพักตามสถานสถานีบริการเพื่อจะได้เติมน้ำมันเติมน้ำเติมล ม, มดูแลทํานุซ่อมแซมรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพราะพวกเรายัาง เป็นนักเดินทางอยู่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพพใหญ่เราจึงควรที่จะมันเติมน้ำมั น, มนเติมลมเติมน้ำคือบุญบา ร, รมีให้แก่รถยนต์คือใจของเราเพื่อจะได้นำพาเราไปสู่สถานที่ที่มีแต่ความสุข มากกว่ามีความทุกข์จนในที่สุดก็จะพาเราไปถึงสถานที่ที่มีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวไม่มีความทุกข์อยู่เลยนั่นก็คือจุดหมายปลายทางหรือบ้านของเราที่นักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวลกทั้งหลาย ได้เดินทางไปถึงกันเป็นที่ที่ปลอดภัยจากทุกภัยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทุกที่เกิดจากการแก่ก็ดีการเจ็บก็ดีการตายก็ดีการพัดพรากจากกันก็ดีทุกเหล่านี้จะไม่มีปรากฏให้แก่ดวงจิต ด, ดวงใจของผู้ที่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ไปถึงบ้านที่ประเสริฐคือพระนิพพานแล้วเลยนั่นแหละคือที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับจิตใจของพวกเราทุกคนที่อื่นนั้นไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ยังมีความเสื่อมเป็นธรรมดาไปเกิดที่สวรรค์ชั้นพรหมก็จะ ต้องเสื่อมหมดจากสถานภาพของพรหมไปเพราะบุญที่ได้ส่งไปให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมนั้นมีอายุไขคือมันจะค่อยเสื่อมไปหมดไปเมื่อบุญที่ส่งไปให้ถึงสวรรค์ชั้นพรหมนั้นหมดลงใจก็ต้องเลื่อนลำดับลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ และเมื่อบุญสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็ต้องเลื่อนลงมาสู่ชั้นมนุษย์เพื่อกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เติมน้ำมันให้แก่จิตใจใหม่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาซึ่งรู้จากวิธีที่จะสร้างบุญบรารมีแบบที่ไม่เสื่อม คือเมื่อได้ไปเมื่อได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้รับผลคืออริยมรรคอริยผลซึ่งเป็นสถานภาพที่ไม่เสื่อมไปไม่หมดไปอย่างเหมือนกับบุญชนิดอื่นบุญชนิดนี้เรียกว่าโล ก, กุตรธรรมธรรมที่เหนือ โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเปียกในสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกับจรวดที่จะสามารถส่งยานให้หลุดพ้นจากความดึงดูดของโลกได้ถ้าไม่มียานอาวกาศไม่มีจรวดส่งยานอาวกาศขึ้นไปในอวกาศให้อยู่ห่างไกล จากแรงดึงดูดของโลกยานทุกชนิดหรือวัตถุทุกชนิ ด, ห ร, ด, นดหรือคนทุกๆคนจะไม่สามารถหลุดออกจากโลกนี้ไปได้จะต้องอยู่บนโลกนี้ไปจนวันตายฉันใดใจที่ไม่มีโลกุตตะธรรมก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการดึงดูด แห่งวัตจักได้วัตจักรก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ <c oughs> ในภพชาติต่างๆสูงสุดก็ชั้นพรหมต่ำสุดก็ชั้นนรกนี่คือภพต่างๆที่อยู่ในสังสารวัฏที่สัตว์โลกทุกดวงทุกชนิดยังถูกแรงหนึ่งดูดของสังสารวัฏนี้ ดึงไว้ให้ติดอยู่กับเวียนวายตายเกิดจนกว่าจะได้มีโอกาสได้พบกับโลกุตระธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้สองลักษณะด้วยกันคือเกิดด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งเป็นวิสัยสำหรับบุคคลที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเท่านั้น ที่จะสามารถค้นพบโลกุตรธรรมได้ด้วยตนเองส่วนสัตว์โลกอื่นๆทั้งหลายไม่มีทางที่จะค้นพบโลกุตรธรรมหรือจรวดที่จะพาให้จิตหลุดพ้นจากกระแสดึงดูดของวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องอาศัย คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสู้พุภบโล ก, กุตระธรรมนี้แล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกให้สัตว์โลกนั้นนำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่ท้อแท้อย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาปฏิบัติ เป็นงานหลักของชีวิตงานอื่นๆทั้งหลายที่ทำนั้นก็เป็นงานที่มีเพื่อสนับสนุนงานของโลกุตรธรรมเท่านั้นถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วจะได้รับผลคืออริยมรรคอริยผลโลกุตรธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลก ของการเวียนว่ายตายเกิดเนืออิทธิพลของของกระแสดึงดูดของวัตตจักโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะตราบใดที่มาเกิดก็ยังจะต้องมีการเสื่อมไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษ์ หรือแม้เป็นเดรัจฉานหรือสัตว์นรกก็มีการเสื่อมไปเช่นเดียวกันเพราะบุญกรรมในยังอยู่ภายใต้กฎของตรัยลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ตายตัวทำบาปทำกรรมหนักหนาแสนสาหัสขนาดไหนก็ตาม เมื่อไปตกนรกใช้กรรมแล้วเมื่อกรรมนั้นหมดก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกกลับมาสร้างบุญบารมีได้อีกแต่มันเป็นการไปเกิดในสถานที่ที่ไม่มีใครปรารถนากันเช่นคุกตารางไม่มีใครอยากจะไปอยู่ในคุกในตารางกันฉันใดนรกก็เป็นเหมือนคุกตาราง ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากลมบากแต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าทำบาป ท, ทำกรรมถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาอยู่ก็ยังจะต้องไปติดคุกติดตารางของดวงวิญญาณของจิตใจก็คือนรก หรือไม่เช่นั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตบ้างหรือเป็นเดรัจฉานบ้างนี่คืออนิสงส์หรือวิบากผลของการกระทำบาปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายเด็กเลี่ยงจากการกระทำบาปเพราะจะได้ไม่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไปทนทุกข์ทรมานโดยเปล่าประโยชน์ เพราะเราทุกคนนั้นสามารถที่จะละการกระทำบาปได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยอย่างในขณะนี้พวกเราก็ไม่ได้ทําบาปกันพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้เรียกว่าอยู่ในลักษณะของเกียร์ว่างเป็นรถที่ไม่ได้ใส่เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังการอยู่เฉยๆอย่างนี้เป็นการ ไม่ไปทำบาททำกรรแต่ก็ไม่ได้ทำบุญนอกจากว่าถ้านั่งเฉยๆแล้วควบคุมจิตใจบังคับจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งอย่างนี้ไม่เรียกว่านั่งเฉยๆอย่างนี้เรียกว่านั่งภาวนานั่งทำจิตใจให้สงบหรือนั่งแล้วพิจารณาทมภายในใจด้วย ตนเองหรือพิจารณาธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่อย่างนี้เรียกว่ากาลังทากุศล ก, กุศลกรรมกำลังสร้างกุศลกรรมอยู่กาลังทำ ก, กรรมดีอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ใจยังทำอยู่ยังทำให้มีอนิสงค์คือจะทำให้จิตใจ พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าเวลาตัดสรุปเวลาทรงเสด็จถึงพระนิพพานก็ไม่ได้ทำอะไรร่างกายนั่งอยู่ใต้ต้นโพแต่จิตใจนี้กำลังต่อสู้กับกิเลสกับตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้จิตใจ ไปทำกรรมทำบาปไปสร้างภพสร้างนรกสร้างสวรรค์สร้างชาติขึ้นมาถ้าจิตใจยังไม่หยุดนิ่งยังไม่สามารถอยู่ภายใต้คําสั่งของเราเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของคนขับรถรถยนต์ก็จะต้องวิ่งไปแบบไม่มี การควบคุมก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถึงทางโค้งก็ไม่สามารถหักเข้าได้ต้องแหกโค้งออกไปถึงสี่แยกก็ไม่สามารถหยุดได้ก็ต้องฝ่าสี่แยกไปฝ่าไฟแดงไปก็จะต้องชนกับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่ง ชั้นใดชีวิตของพวกเราที่ขาดการควบคุมจิตใจควบคุมความคิดของเราก็จะเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับหรือคนขับไม่สามารถควบคุมบังคับได้เช่นคนที่เมาสุราเป็นต้นถึงแม้จะควบคุมได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมให้รถวิ่งอยู่ในความปลอดภัย จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนจิตใจของพวกเราที่ขาดการควบคุมดูแลด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะไหลไปตามกระแสของอำนาจของความหลงที่คอยผลักดันให้เห็นความให้เห็นผิดเป็นชอบให้เห็นนรกว่าเป็นสวรรค์ ให้เห็นสวรรค์ว่าเป็นนรกแล้วก็ไปสร้างนรกให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ได้สร้างกรรมสร้างบาปไว้ก็ต้องไปนรกทันทีหรือไปเกิดในอบายภูมิใดภูมิหนึ่ง แต่ถ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคอยกํากับคอยควบคุมการกระทําของใจคือความคิดของใจให้คิดไปในทางที่จะพาไปสู่การกระทําที่จะพาไปสู่สวรรค์พาไปสู่พระนิพพานเราจึงต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาไตรตรองมาพิ จ, จารณามาเตือนสติอยู่เรื่อยๆให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรรู้ว่าเราต้องไม่ทำอะไรแล้วเวลาที่เราทำอะไรเราจะได้รู้ว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางไหน เรากำลังเดินขึ้นสูงหรือเรากำลังเดินลงต่ำไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นคนลากชักจูงเราไปลากเราไปมีเราเท่านั้นที่จะชักจูงลากตัวเราไปเองคนอื่นเขาจะพยายามอย่างไรถ้าเราไม่ยอมไปด้วยก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเราต้องเป็นคนที่คอยชักจูงตัวเราเอง และเราต้องมีแผนที่พาเราไปแผนที่นี้ก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่ทรงสอนให้เราทําบุญให้ทานอย่างสม่ําเสมอให้เราละจากการทําบาปละจากอบายมุขต่างๆให้เราหาความสุขทางด้านจิตใจคือ ทำจิตใจให้สงบอย่าไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณพ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เราที่มีความหลงมีความเห็นผิดเป็นชอบจะมองเห็นว่าเป็นความสุข เราจึงแสวงหาความสุขแบบนี้กันมาตลอดแต่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆด้วยความเห็นผิดกันชอบอันนี้คือหลงไหลไปกับรูปสีรูปรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพชชนิดต่างๆ เราไม่ค่อยสนใจกับการหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบเวลาจะให้นั่งทำสมาธิก็นั่งได้เพียงห้านาทีเท่านั้นเองก็นั่งไม่ได้แล้วแต่เวลาไปดูหนังนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งดูได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่อย่างใดหรือไปเที่ยวให้นั่งรถ เป็นสิบชั่วโมง20สบชั่วโมงก็นั่งได้ให้นั่งระเบินเป็นสิบชั่วโมงก็นั่งได้แต่เวลาจะให้นั่งทํำสมาธิเพียงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวเรากลับทํากันไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจของเราถูกอํานาจของความหลงของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คอย ผลักดันให้ไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองพอนั่งอยู่เฉยๆหรืออยู่กับบ้านจะรู้สึกหงุดหงิดเศร้าซ้อยห้อยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาทันทีนี่เป็นผลที่เกิดจากการพาจิตใจให้ไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาโดยตลอด จนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นเหมือนติดยาเสพติดไปนะเวลาที่ได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็มีความสุขมีความดีอกดีใจเวลาที่ไม่ได้เสพก็มีความหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงานะเป็นเพราะว่าเราถูก ความหลงหลอกเราสอนเรามาเป็นเวลาอันยาวนานพอเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละการหาความสุดทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เราก็ทำได้ยากมากรู้สึกว่าจะเป็นจะตายเอาทีเดียว ซึ่งความจริงแล้วไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าการนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนี่แหละไม่ต้องทําอะไรแสนจะสบายแต่ทํากันไม่ได้แต่ถ้าต้องไปทำํนทำนู่นทํานี่จะลําบากลําบนขนาดไหนก็ทําได้เช่นเวลาจะออกจากบ้านในแต่ละครั้งนี้ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องอาบน้ําอาบท่าหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัว แล้วก็ต้องเดินหรือขึ้นรถไปเนี่ยต้องใช้พลังงานมากกว่าจะได้ทําได้สัมผัสกับความสุขที่ความหลงสั่งให้เราไปหามาแต่เป็นความหลงที่เป็นความสุขที่เป็นชั่วชั่วเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองในขณะที่เราได้สัมผัสเราก็มีความเพลิดเพลิน พอเรากลับมาบ้านเราก็กลับมาพบกับความเหงาต่อไปพบกับความว้าเหวต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำก็คือเราต้องมาเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าตั้งใจจะทําแล้วไม่สุดวิสัยเพราะมีคนเขาทําได้มาแล้ว มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกตอนที่พระองค์ประสูติประสูติใหม่ๆท่านก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ท่านมีปัญญามีความฉลาดทรงพิจารณาเห็นว่ามันมีความทุกข์แฝงมาด้วย เวลามีความทุกข์ก็ต้องรีบดับมันด้วยการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเพิ่มเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรพอไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสความทุกข์มันก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าจึงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทางที่นำพาไปสู่ความสุขจึง คิดถึงความสุขที่พระองค์เคยได้สัมผัสในขณะที่ทรงอยู่ตามลังพังจิตของพระองค์สงบมีความสุขจึงคิดว่าความสุขแบบนี้น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงจึงได้ตัดสินพระไยสะเสด็จออกจากพระราชวังสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไปแสวงหาความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ในป่าในเขาจเจริญสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จเจริญวิปัสสนาภาวนากำจัดความหลงที่เคยที่คอยหลอกให้ไปแสวงหา ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจนความหลงถูกทําลายหมดสิ้นไปมีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงที่คอยสอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลานี่แหละคือบุคคลแรกที่สามารถเอาชนะความ หลงยึดติดในความสุขทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วหลังจากนั้นก็นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีสติปัญญาพอที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายพบกับความสุขที่แท้จริง อยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งอื่นๆภายนอกจิตใจอีกต่อไปพวกเราก็เป็นพวกที่มีโอกาสมีความสามารถที่จะพบกับความสุขอันนี้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราจะไม่มาวัดกันคนที่ไม่มาวัดนั่นแหละเป็นพวกที่ไม่มีโอกาส ที่จะพบกับความสุขแบบนี้ได้เพราะเขาไม่มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดพอที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพระเจ้าไปไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขที่แท้จริงได้แต่คนที่มาวัดอย่างสม่าเสมออย่างพวกท่านทั้งหลายนี้ เป็นพวกที่มีสติปัญญามีความสามารถที่จะน้อมนำเอาเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้อยู่ที่ว่าท่านจะทำมากหรือทำน้อยเท่านั้นเองถ้าทำมากผลก็จะมาเร็วถ้าทำน้อย ผลก็จะมาน้อยอยู่ที่การปฏิบัินี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกท่านก็ทําหน้าที่ของท่านให้แก่พวกเราแล้วคือท่านได้สอนเราแล้วหน้าที่ของเราก็คือที่การนําเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัติเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับแม่ครัวหรือพ่อครัวที่ทาอาหารมาให้เราแล้วตั้งไว้อยู่ที่ข้างหน้าเราแล้วอยู่ที่เราจะรับประทานอาหารนั้นหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรารับประทานอาหารเราก็จะได้พบกับความอิ่มหนาสำราญใจเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจ ถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติจิตใจของเราก็จะมีความอิ่มหนำสำราญใจมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวจะไม่มีความหิวความอยากความต้องการจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจิตในใจเลยดังนั้นเราจึงควรทมที่ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ทำอยู่เรื่อยๆทำให้มากมีเวลาว่างเวลาใดขอให้ใช้เวลานั้นกับการกระทำตามสิ่งคาสอนของพระพุตเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการละเว้นอบายามุขต่างๆก็ดีละเว้นจากการกระทาบาปก็ดีหรือการภาวนาทำจิตใจให้สงบก็ดี หรือการเจริญปัญญาเพื่อดับเพื่อทำลายความหลงที่คอยหลอกให้เราไปสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีขอให้เราทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาของเรานี้มีเวลาที่จำกัดชีวิตของเรานี้ไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ เราอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ถึงอายุ8ป9 0ปีแต่ความคิดของเรากับความจริงนั้นมันมันมกไม่ตรงกันเสมอไปเราคิดอย่างนี้แต่ความจริงมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คิดตามความจริงที่ที่น่าจะเป็นได้ก็ให้คิดว่าชีวิตของเราอาจจะหมดไปในเวลาใดาก็ได้ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าคิดตรงความจริงว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายในชั่วโมงข้างหน้าก็ได้หรือในวันข้างหน้าก็ได้ในเดือนข้างหน้าหรือในปีข้างหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าเราคิดไว้ว่าเราตายได้ทุกเวลาแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบทำสิ่งที่เราควรจะทำคือสร้างความสุข ที่แท้จริงให้แก่จิตใจของเราเพราะความสุขนี้เมื่อเราได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นของเราไปตลอดมันจะไม่พัดพาคจากเราไปเหมือนกับความสุขชนิดอื่นที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ความสุขชนิดต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้มันหมดไปได้พอเราตายไปแล้วทุกอย่างมันก็จบไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ เราต้องไปเกิดใหม่ไปใช้บุญใช้กรรมใหม่และเราไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่พบนิชาตินี้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่ได้พบคำสอนอันประเสริฐที่จะพาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจรึงไม่ควรประมาทนอนใจ รีบปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปในการแสดง